นาโบตัตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุ t ตสะนาโบตัตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตตสะนาโบตัตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัม a ุตตสะกุ a ลาราสิติภิกขเว วัดมาโดจดตาโรสติปัฏฐานตีต่อแต่นี้ก็จะได้เข้าสู่การบรรยายช่วงเช้าเพื่อนำปฏิบัติช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็เป็นช่วงกระถินหมดไปเมื่อวันที่แดพฤศจิกา หลายคนก็น่าจะได้ร่วมกันทากระถินในฐานะต่างๆนะประธานมั่งรองประธานมั่งขาจรมั่งบางคนก็ตั้งเป้าไว้ว่าเอาก้าวัดบางคนก็เกินบางคนก็ไม่ถึงก็ทุดแท้แต่นะแต่ว่าบุญนี้ทาแล้วต้องได้บุญ ส่วนใหญ่เราทําบุญเราไม่ค่อยสนใจเรื่องของคําว่าบุญเราสนใจแต่แค่เราได้ทําได้ไปบางทีก็เราไปทําบุญเพราะว่ายุ่งกับเรื่องการแต่งกายเนี่ยเขาเยอะมากแล้วยุ่งกับเรื่องการเก็บเงินเก็บทองอีกหลายอย่างเยอะแต่ว่า เวลาที่ความเป็นบุญในพุทธศาสตร์เนี่ยในพุทธศาสนาเราไม่ใช่ไม่ใช่บุญอย่างที่เราเข้าใจนะบุญในความหมายของพระพุทธเจ้านี่มันหมายถึงว่าเป็นธรรมชาติเป็นสัจจะเป็นความจริงอย่างหนึ่งเป็นนา ม, มาธรรมที่มันใสสะอาดบริสุทธ เมื่อบุญเข้าไปในจิตใจแล้วนี่มันจะปรับปรุงพื้นใจของเราให้มันสะอาดสว่างสงบเรียกว่าบุญทุกบุญของพระพุทธเจ้าที่สอนที่ค้นพบมาเปิดเผยให้พวกเราเรานี่เป็นบุญที่ขัดเกลากลา็ทําหน้าที่ขัดเกลาจิตใจปรับพื้นใจของเราให้มันชุ่มด้วยบุญอย่างเวลาเราไปทษกรถินพระเขาก็จะสวดบนอยู่บทหนึ่งเวลาอนุโบทนา กาเลทะทันติสปัญญาวทัฒนยูวีตมัมชราเป็นต้นนะว่าว่าคนทําบุญกะถินเนี่ยเขาเรียกว่ากาลาทานบุญตามาตามเวลามีเวลาเฉพาะเวลาคนที่จะทําบุญแบบนี้เนี่ยต้องวทัฒนยูสปัญสปัญญาวทัฒนยู วีตมัชเราสะปัญญาคือต้องมีปัญญาเห็นไมทำโงโ่ๆงโงไม่ได้นะบุญนะสปัญญาเรียกว่ามีปัญญาวทันอยู่รู้จักถ้อยคารู้ถ้อยคาไอ้รู้ถ้อยคาเนี่ยก็คือการรู้จักระมัดระวังคำพูดแล้วก็ฉลาดในการที่จะพูดจักชวนผู้อื่น เพื่อให้มาร่วมการบุญการกุศลวีตมัเชราต้องกำจัดความประหนีแล้วก็ตั้งจิตมุงง่งตรงต่อพระพุทธศาสนาต่อพระอริยเจ้าวัดฐานของเราอันน้อยนิดนี้มาจากการประกอบอาชีพทุจริตเป็นวัตถุที่สะอาดออน้อมนำมา ถวายบูชาต่อประรตนาใจเพื่อความดำรงมั่นของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปอย่างนี้เรียกว่าการให้ที่บริสุทธิ์โดยไม่วุ่งบนผู้เจ้าว่าปัยยะตาพาณีมือสะอาดหมายความว่าไม่ไปเที่ยวหน่วงรังผลใดๆกลับมาหาตัวเอง มุตตจาโคเรียกว่าให้แล้วก็ปล่อยเลยไม่ต้องไปกังวลว่าเงินนี่เราทำไปแล้วสองร้อยไม่รู้วัดออกไปใช้อะไรหรือเปล่าพอเห็นวัดออกรถใหม่กันสงสัยเอาเงินกฐินไปซื้อรถแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มุตตะจาโคราเราแวงสงสัยอยู่เรื่อยแล้วก็วีตามัชรา ปราศจากความตรนีความตรนีทั้งสามการนะเช่นในการที่เราคิดจะทำจับกระเป๋าออกมาตอนแรกตั้งใจว่าจะทำสักห้าร้อยีตอนแรกนะนี่เรียกว่าปุพพเจตนาเจตนาก่อนที่จะทำและความตรนีมันก็มาห0 0รอลๆๆสามร้อยพอมั้งแล้วสองร้อยเอ า, าไปไหนอ uf, เพื่อ ได้ไปกินอะไรข้างทวัดข้างว่ามั่งนี่ีก่อนก่อนทำนะก่อนทำสรุปความว่าตั้งใจไว้ห้าเหลือสามพอพอถึงวัดขนาดที่ทำโอ้ยคนมาทำเยอะแยะสามไปลดเหลือสองร้อยพอเงียไปเจีอีกหนึ่ง <laughs> พอพอได้ทำไปสองร้อยเนดะ้ไหมความจริ้มันมาทุก ทุกเจตนาเลยทุกขณะเลยสองขณะแล้วก่อนทำกับขณะที่ทำหลังจากทำแล้วเนี่ททำไปสองร้อยใช่ไหมมีมีเหลืออยู่สามร้อยทำไปสองร้อยเดินมาข้างนอกอเห็นเขาขายของโอยชอบมากเลยอยากได้มากเลยพอไปถึงเงินไม่พอมันมีแค่3ามร้อยมันราคามันสามรอยห้าสิบ้ยเสียดายเมื่อกี้รู้อย่างนี้ทำบุญกตินไปสักร้อยห้าสิบพอ หลังจากทำแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยความธานีถ้าความธานีมาทั้งสามเวลาอย่างนี้ฉันทะไม่ตั้งบุญจะไม่ตั้งขึ้นที่ใจเรเรียกว่าประกอบไปด้วยความธานีเพราะฉะนั้นต้องวีตมัชราต้องบริสุทธิ์ปราศจากความธานีทั้งสามเวลาคือก่อนทำขณะที่ทำและหลังจากทำแล้วเนี่ย มันก็จะเกิดเป็นปิติเกิดเป็นฉันทะเกิดเป็นความอิ่มอกอิ่มใจก็ว่าไปซึ่งความฉันทะก็ดีปิติก็ดีหรือความอิ่มอกอิ่มใจก็ดีสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่คอยสะสมบุญที่เราทำถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความตจตนีทั้งสามระยะสามเจตนานั้นมันไม่สะสมหรอกถ้าไม่สะสมพูดตรงๆก็คือว่ามันไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้การสะสมไม่ซักฟอกใจเพราะฉะนั้นการทำบุญเนี่ยแม้แต่ว่าเราไม่มีเงิน เ, นเราไม่มีเงินที่จะทำเราไปแล้วเนี่ยรูจ้จาว่าเยตถาอานุโบดันติผู้ใดเพียงแค่อนุโบตนาต่อบุญกฐินต่อบุญนั้นนะเยตถาอานุโบดันติ เวยยวัจจังการติวะหรือทำการช่วยขวนขวายกิจการต่างๆเช่นเช็ดเก้าอี้ยกโต๊ะจัดที่จัดทางดูแลต้อนรับแขกคอยช่วยเหลืออย่างชนิดที่มีใจเอื้อเฟือ้อฉันท่ามันก็ตั้งนาเตนาทักกินาโอนาเตปิบุญญสภาคิโดบุญ น, นั้นขอเจา้าภาพที่ทมก็ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ กลับจะมีกำลังเพิ่มให้มันเกิดความไพยบูรยิ่งขึ้นใช่ไหมเราก็สามารถอนุโบทนาได้เราสามารถที่จะช่วยเหลือใช้แรงกายไม่จำเป็นจะต้องมีเงินไม่งั้นคนจนๆก็ไม่ต้องทำกันสิบุญนะสุดท้ายแล้วบุญนี่แหละพอมันสะสมแบบนี้มันยังเรายังมีชีวิตยอยู่ บุญจะคอยทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็บุญญาณิปรารโลกสมิงปฏิทถาโหติปานินางแล้วก็บุญนี้ยังเป็นที่พึ่งของสัตว์ผู้ไปสู่ปรารโลกด้วยตายไปก็ยังมีบุญเป็นที่พึ่งอย่างเงี้ยเน้นท่านว่าบุญเป็นเงาเป้าออตามติดบุญเป็นมิดไปทุกที่คอยช่วยเหลือเ อ, อื้ออารีไรร า, ราคีปลอดภรยภัย บุญพิทัก์บุญรักษาบุญนำพาให้สดใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญยังส่งให้ถึงทุกขาวว่าดีนั่นบุญแต่ถามว่าบรรดาบุญทั้งหลายเนี่ยเราจะควรที่จะทำบุญชนิดไหนที่มันเป็นยอดของบุญเหมือนบาลีที่ยกเมื่อตะกี้ว่ากุตลราซิติกุตลาราศีกองบุญ กองกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่ากุศลใดๆเลยพระพิจารณาตรัสไว้ในกุศล ร, ราสีสูตรไปเปิดดูมั้งกุศล ร, ราสีสูตรพริจ้าว่าอมกองของบุญกองของกุศลที่มันเป็นยอดมันยิ่งใหญ่กว่ากองบุญทั้งปวงคืออะไรก็คือเอ กองของบุญจากการที่ผู้คนคนผู้ปฏิบัตินั้นได้ได้ระลึกถึงอยู่ซึ่งระลึกโดยชอบในสติปัฏฐานสี่นี่เรียกว่าเป็นกองบุญกองกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นยอดของบุญ สติปัฏฐานสี่คืออะไรก็คือกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนากายานุปัสนาคืออะไรก็คือว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชัญญโนสติมาวิเนยยโลเกอปิชาโทมานัสสังก็คือการตามพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่าง มีอาตาปีคืออย่างมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็กําจัดอภิชาและโทมนัสเสียได้ในขณะนั้นๆอ่างนี้เรียกว่าเรียกว่ากองบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นยอดของบุญเวทนานุปัตเวทนานุเวทนาสุเวทนานุปัตตินนนนนนนนี่วิหารติอาตาปีสัมปชัญญูสติมาวิเนีเ ย, ยโลกเกอภิชาโทมนัสสงัง ก็คือตามพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อย่างมีความเปียนมีสติมีสมปัญญาคำจุดหยุดอภิชาและโทมานัตเสียในขณะนั้นได้นี่ก็กองบุญอันยิ่งใหญ่แล้วก็จิตเตจิตานุปัสสีทาเมทังสุธรมานุปัสสีเหมือนกันทั้งสี่กองนี่ถ้าเพียงแค่วางจิตระลึกให้ถูกต้องตามจิตของมัน คืออยู่กับกายในกายอยู่กับเวทนาในเวทนาอยู่กับจิตในจิตอยู่กับธรรมในธรรมนี่เป็นยอดของบุญยอดของกุศลเป็นกองกุศลที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราทำยังไงจึงจะเข้าไปสู่ในกองบุญกองกุศลอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอาณาปานสติอาณาปานสติเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของผู้ปฏิบัตินั้น อยู่กับสติปัฏฐานทั้งสี่ได้โดยรับรองไว้ว่าอนาปานาสติอันบุคุณไดอันบูใดอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนุสงมากมีอนิสงมากมีผลมากอย่างไรอนาปานาสติอันบุคคลอบรมให้มากแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้สติปัฏฐานทั้งสี่บริบูรณ์เห็นไหมพระพุทธเจ้าก็เลยสอนเรื่องอนาปานา สติปัฏฐานสี่โดยผ่านทางอาณาปานสติโดผ่านทางลมหายใจสี่ขั้นแรกของอาณาปานสติตั้งแต่ที่ขังวาอัจาสัตโตที่ขังวาปัจจสัตโตรัตสังวาอัจจสัตโตรัตสังวาปัจจสัตโตสภะกายะปฏิสังเวทีสภะกายะปฏิสังเวทีแล้วก็ปัจสมัญญากายสังฆารังเนี่ย สี่ข้อนี้เป็นกายานุปัสสนาเรียกว่ากายกายานุปสีวิหรติการอย่างนี้มันก็พอที่จะอนุสรุปได้ว่าแค่ลมหายใจอย่างเดียวนี่ได้ทุกอย่างใช่ไหมยอดของบุญกองของมงหากรุสุทั้งหมดที่เป็นกองของคุณบุญตนนั้นก็อยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ การอยู่กับลมหายใจนั้นจะต้องอยู่แบบมีอาตาปีสัมปชโนสติมาวินเดยะโลกะอภิชาโทมนัสสังมันจึงจะเป็นลมหายใจจริงๆแล้วกายต้องนิ่งมันจึงจะรู้กายได้ถูกไหมเวลาถ้าอยู่กับลมหายใจกายจะกระเพื่อมเพราะอานาจของลมเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกกายของเราก็จะกระเพื่อมการตำนานของกายก็จะสมานกับลมหายใจ ในจิตรู้ที่เขามีความละเอียดละออแล้วพอกายนิ่งแล้วเขาก็จะรู้เห็นถึงกายที่มันกลับเพื่อมอยู่ข้างในแล้วก็พอวางกายได้เขาก็จับเวทนาวางเวทนาได้เขาก็จับจิตวางจิตได้เขาก็จับธรรมเป็นความละเอียดที่เขาส่งต่อกันเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปอแต่ทั้งหมดนี้การดูลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นกองของกุศลที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่า กองบุญใดๆเดีวกุศล ร, ราศีสูตรไปเปิดอ่านได้ในปัจจัยปิฎกเดี๋ยวนี้มีเยอะเนี่ยูเกินก็ได้กดยังเมื่อกี้ยังไม่ก่อน <c oughs> ไปเปิดอา่านใช่ไหมจะได้รู้ว่าเราทำมาเป็นยังไงทีนี้ในการที่รู้ลมหายใจ จะให้มันเป็นบุญเป็นกุศลได้นะมันจะต้องประกอบไปด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินนยะโลกเกียพิชาโทมณนัสสังคือหมายความว่าไอ้ตัวรู้ที่รู้กับลมหายใจนั่นมันในขณะที่รู้เข้าไปเนี่ยมันจะต้องเป็นความเพียรชนิดที่แผดเผาฮมันต้องชนิดที่แผดเผาเผาอะไรอะเผาสันดานสันดานเราดีเหรอดีนัก ดีนักใช่ไหมสันดานน่ะ ด, ดีมากสันดานแย่มากแย่น้อยแย่กลางก็แล้วแต่แต่แตการรู้ลมหายใจที่ถูกต้องมันจะเกิดเป็นอาตาปีจะแผดเผาสันดานซึ่งในสันดานของเราแต่ละคนล้วนแต่มีนิวรณ์เป็นตัวทํางานเวลาเราอยู่ในชีวิตจริงเราตื่นเช้ามาตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ในจิตใจของเราร่วมกับสิ่งที่กระทบทั้งหลายเนี่ยคือส่วนมากก็จะเป็นนิวรณ์นะ ลึกลงไปจากนิวรณ์ก็เป็นอาสวะลึกลงไปอีกก็เป็นอนุสัยอนุสัยนี่ก็ตรงกันข้ามกับคําว่าอุปนิสัยอนุสัยนะก็จะตรงกันข้ามกันกันกบอุปนิสัยถ้าอนุสัยนี่มันจะเป็นแบบไหนฮะแบบไม่ดีใช่ไหมเอออะไรที่กระทบมาแล้วมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ ด, ม ด, มดีก็ตกตะกอนไปเป็นอนุใส่ ส่วนอะไรที่ดีๆๆดกระทบตกอนุกรตกตะกอนลงไปที่ใจของเราเขาเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยอุปนิสัยกับอนุสัยจะไม่เหมือนกันนีนี่พอรู้ลมหายใจลมหายใจตัวรู้ที่ถูกต้องที่ตรงข้าไปสู่ลมหายใจอย่างถูกต้องกิจในการรู้ลมแรกๆทำอย่างถูกวิธีแล้วเนี่ย ให้มันขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องมันก็เป็นอาตาปีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะตัวนิวรที่มันทำงานเป็นปกติในสันดานของเราในชีวิตประจำวันในกิจกรรมต่างๆเขาออกมาทำงานไม่ได้แต่มันมีอยู่แต่มันออกมาทำงานไม่ได้เพราะตัวรู้ต่อลมหายใจอย่างถูกต้องนี่พอขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องเมื่อนิวร์ไม่มีโอกาสมันก็เท่ากับอะไรเท่ากับแผดเผาใช่ไหม แผดเผานี่คืออาตาปีแหละแผดเผาไปเรื่อยๆเลยเลยเลยเลยเลยเลยเปกติเวลานี้อยู่บ้านทํำไรยังนอนอยู่ยังนอนย้วยอยู่ใช่ไหมด้วยอํานาจของถีนมิทะแต่ตอนนี้เรามารู้ลมหายใจลมหายใจเราที่รู้ก็ไปอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะไปแผดเผาถีนมิทะนิวรณ์อยู่บ้านเพราปกติเวลานี้ใจมันก็ ชอบอย่างนั้นชอบหาแต่สิ่งที่พอใจแต่ตอนนี้เราสู่ลมหายใจอย่างนิ่งตรงตรงไปตรงมาตัวรู้ก็จะบริสุทธิ์ต่อความเป็นจริงคือลมหายใจที่กระทบออกกระทบเข้าการรู้อย่างต่อเนื่องอย่างนี้มันก็หยุดความชอบใจหยุดความไม่ชอบใจแผดเผาไปเรื่อยเรื่อยแผดเผาไปเรื่อยๆอยไ น, นี้เรียกว่าอาตาปี การรู้ลมหายใจจะให้เขาเป็นสติปัฏฐานสีได้ให้เป็นกายเยกายานุปัสสีได้จะต้องทากิจในการรู้ลมนี้ให้ถูกต้องถูกต้องตามไหนตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเราไม่เข้าใจในที่ที่พระพุทธเจ้าสอนโดยตรงก็ดูว่าสาวกของพระพุทธเจ้ารูปใดที่อยู่ในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าท่านมาขยายความไว ก็มีภาษารีบุตรดะที่ขยายความไว้ชัดเจนโดยรวมความฟังของพระพุทธเจ้าฟังของภาษารีบุตรแล้วเนี่ยมันสอดรับกันหมดไม่ขัดแย้งกันทําให้กิจในการรู้ลมนั้นเข้าใจได้ไม่ยากปฏิบัติได้ไม่ยากแล้วก็ฝ้าอบรมส่งผลให้เราได้ไม่ยากเพรปะนั้นการที่เราจะเ อ, อ สร้างบุญสร้างกุศลกองบุญกองกุศลในใจของเราให้มันเป็นยอดบุญยอดกุศลได้เนี่ยมันไม่ต้องไม่ใช่อย่างอื่นแล้วใช่ไหมมันคืออะไรมันคือการรู้ลมหายใจอย่างถูกต้องถือเป็นกองกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วมันก็ต้องกล้าด้วยนะมันก็ต้องกล้าว่าในชีวิตจริงอ่ะถ้าเราประสงค์ที่จะให้มันเป็นกองบุญกองกุศลอย่างนี้แล้ว มันเราก็ต้องกล้าต่อกอกับนิวร์เลยถ้าเราจะเป็นนักภาวนาเราต้องกล้าต่อกอกับนิวร์อย่างนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกตัวแล้วแต่มันยังยั่วให้อยู่นอนมันแค่ไม่ใช่หลับนะหลับไหมไม่หลับมันนอนเต็มที่แล้วมันตื่นหนุ่มมามันขี้เกียจอ่ะขี้เกียจลุกขี้เกียจเครื่องผ้าหม่มขี้เกียจ อะไรก็ขี้เกียจไปหมดไอ้ขี้เกียจเนี่ยก็เราเรียกรวมๆ ว, ว, ว่าย้วยอยู่ซึ่งเป็นลักษณะของถีนมิทะล้วนๆเราก็ต้องเราเมื่อเรามาเดินในเส้นทางภาวนาต้องกล้าในการที่จะลุกสลัดมันออกไปด้วยอํานาจของใจที่มีต่อการภาวนาทำให้มันอาจหารแ ก, แกล้าขึ้นมามันต้องสู้กับมัน และพวกอะไรต่างๆที่เคยชอบและมันไร้สาระและรู้ตัวได้ว่ามันเป็นอาหารของนิวร์จนดูหนังดูละครดูนั่นดูนี่เราก็ต้องกล้าที่จะหยุดมันเพราะว่าอะไรที่ว่าไรา้สาระเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคุณประโยชน์อะไรกับชีวิตใช่ไหมเราไม่ดูมันลรไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหม เราไม่ได้เห็นมันเราเสียหายไหมไม่เสียหายเราไม่ได้ฟังก็ไม่ได้เสียหายเราไม่ได้ทํามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรไออย่างนี้เราต้องกล้านะเราต้องกล้าพอเมื่อโดยการนึกถึงอารมณ์ภาวนาของตัวเองแล้วก็กล้าพอที่จะหยุดในสิ่งซึ่งเป็นอาหารของนิวรณ์มิฉนั้นเราจะภาวนาแทบเป็นแทบตายแต่ผู้สุดท้ายแล้วเราก็ไปตกอยู่ในให้อาหารนิวรณ์อยู่เรื่อย การภาวนามันก็ไปไหนไม่ได้ด้วยทีเพราะเราให้ให้อาหารนิวรน์อยู่เรื่อยๆนิวรนมันก็อ้วนพีอยู่เรื่อย่อยู่เรื่อยๆมันเราก็ต้องกล้าในการที่จะไปต่อสู้กับมันมันนึกถึงอารมณ์ภาวนาแล้วก็ต้องกล้าที่จะปลดปล่อยตัดสิ่งซึ่งไร้าสาระแต่ถ้ามันมีความจำเป็นทำงานทําการคิดเดืนินคิดตองทำบัญชงบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือมันมีสาระต่อการใช้ชีวิตใช่ไหม แต่บางอย่างมันไม่มีสาระมันไม่มีสาระเราก็ต้องนึกอารมณ์ภาวนาตัวเองแล้วก็ตัดมันออกไปตัดมันออกไปสิ่งที่เป็นอาหารของนิวร์อย่างเช่นเรื่องกินเรื่องอะไรางานเงี้ยกินจนอิ่มแล้วแต่มันยังอยากอยู่ <c oughs> ใช่ไหมกินอิม่มอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วแต่มันยังอยากอยู่ตัดได้ไหมต้องตัดไหมฮ <c oughs> ะเออต้องตัด ต้องตัดเพราะว่ามันเป็นส่วนเกินแล้วมันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ได้ใช่ไหมเรื่องอะไรที่มันไม่พอใจเรื่องขัดใจอยู่ในบ้านอยู่ในที่ทำงานหรือไปที่ไหนที่ไหนผู้คนที่มันจำเจเห็นหน้ากันทุกวันคุยกันทุกวันทำงานด้วยกันทุกวันเกิดความไม่ขัดใจเกิดความขัดใจขึ้นมาเช่นว่าฟัางเสียงแล้วไม่ชอบเห็นหน้าแล้วไม่ชอบ อะไรต่างๆอยู่กิจกรรมด้วยกันแล้วไม่ชอบแต่มันจำใจที่จะต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้ามันมีความขัดใจอย่างนี้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าพยาบาทนิวร์เราต้องยังไงนึกถึงอารมณ์ภาวนาแล้วเราต้องกําจัดความขัดใจอันนี้เสียให้ได้นี้เรียกว่าต่อสู้กับนิวณ์ด้วยอารมณ์ด้วยการระลึกถึงคาภาวนาให้มันแกล้กลาขึ้นมาทาอย่างนี้ไปบ่อย สู้กับนิวรณ์สู้กับอาหารของนิวรณ์ในชีวิตประจำวันบ่อยๆมันก็จะเกิดสภาพใจของเราจะโน้มกับไปที่ธรรมโน้มไปที่ธรรมพระเจ้าพุทธเจ้าท่านว่าธรรมาระโบธรรมรโ ร, มรตโตธรรมังอะนุจินตะยังธรรมั ง, งานุสรังพิกุสัทธรรมมาณปริหายติหรือว่าผู้ที่มีธรรมเป็นที่มายินดีเรา ทำอย่างนี้ต่อสู้กับสิ่งซึ่งเป็นอาหารของนิวรณ์อย่างแกล้าด้วยการนึกถึงอารมณ์แห่งการภาวนาอย่างนี้จิตมันก็จะไปยินดีกับส่วนที่เป็นธรรมส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นธรรมะมันก็ไปยินดีกับส่วนที่เป็นสติส่วนที่เป็นขันติส่วนที่เป็นเมตตาส่วนที่เป็นหิริโอตปะส่วนที่เป็นอะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆที่มันเป็นธรรมะจิตมันจะเอาตัวธรรมะเป็นที่มายินดีได้ เอาธรรมะมาเป็นเครื่องยินดีมากขึ้นมากขึ้นจนความยินดีนั้นมีกำลังมันจึงเกิดเป็นออโตเมติกเรียกว่าธรรมารโตธรรมาราโตธรรมารโตธรรมารโตก็คือสภาพของจิตที่มีความยินดีในธรรมเป็นปกติคือมีกำลังแล้วความยินดีที่มันมีอยู่กระจัดกระจายยินดีนั่นยินดีนี่ยินดีนู่นยินดีนู่น พอพอเขามีกําลังในธรรมม า, มากขึ้นมากขึ้นในที่สุดตัวยินดีหลักนี้เขาจะมีตัวยินดีที่อยู่ในธรรมเป็นปกติอันนี้ก็เรียกว่าปรับพื้นขึ้นมาทีนี้พอยินดีในธรรมได้แล้วต่อไปอะไรตัวพินิจพิ จ, จรารณาตัวใคร่ครวนตัวคํานึงตัวคิดตัวคิด พอมันมียินดีในธรรมแล้วมันจะทำให้เราเกิดการคิดใคร่ควรวนต่อธรรมได้ถ้าถ้าโดยชีวิตปกตินั่งก็ดีเดินก็ดียืนก็ดีนอนก็ดีทำงานก็ดีทุกๆ ก, กอิริยาบถในชีวิตประจำวันไอ้ตัวคิดเนี่ยมันน้อยน้อยนะที่จะไปคิดถึงธรรมนะน้อยไหมน้อยที่จะคิดถึงธรรม คิดถึงสิ่งใดจะให้สิ่งนั้นเป็นธรรมก็น้อยอเพราะมันปารกตัวเองเป็นหลักปารกนี่วรก็จะทํางานก็คิดถึงคิดถึงคนเนี่ยคิดถึงภัยวันอย่างเงี้ยอดีกับไม่ดีนะี่ยไม่ดีมันจะมาก่อนนะแต่ถ้าเราคิดถึงตัวเราเองไงดีมาก่อนใช่ไหมคิดถึงตัวเองดีจะมาก่อนแต่คิดถึงคนอื่นก็ไม่ดีมันจะโผล่มาก่อน ข้อไม่ดีมันจะโผล่มาก่อนแต่ว่าถ้าเราฝึกฝึกในชีวิตประจําวันสู้กับ น, นิวร่ยให้เอาทำเป็นเครื่องยินดีจนตัวยินดีมันมีกําลังจนเกิดเป็นการยินดีในธรรมขึ้นมามันก็จะทําให้ตัวคิด่ะมันจะถึงสิ่งที่ดีก่อนคิดถึงสิ่งที่เป็นธรรมก่อนเรียกว่าธรรมั ง, งานุจินไตยังเนี่ยเป็นตัวที่ ใครโครนขันึงถึงธรรมมันจะเกิดขึ้นก่อนเห็นอะไรนะชิงโตเงี้ยตัวเป็นธรรมมันก็จะโผล่มาก่อนเห็นโกโดเห็นริวเงี้ยตัวเป็นธรรมมันก็จะโผล่มาก่อนตัวดีมันจะโผล่มาก่อนพอตัวดีโผล่มาเท่ากับว่าเปิดประตูดีตัวคิดที่จะร้อยเรียงสิ่งต่างๆต่อจากนั้นไปมันก็จะดีดีดีดี ด, ดีมุมมองมันก็จะเปลี่ยนไป แต่อยู่ๆถ้าไม่พิจารณาไม่ทำไม่ไม่ไมปฏิบัติเนี่ยอยู่ๆมันจะเกิดอย่างนี้ได้ไหมได้ป่าวไม่ยากยากไหมเดียว<า>ชัดเจนนริวนี่แสดงว่ากาลังยากอยู่ใช่ไหม <laughs> <laughs> มันยากมันยากมเราต้องเปิดประตูดีด้วยวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นวิธีที่ตรงสั้นถูกลัด ไม่ต้องไปหาวิธีอื่นแล้วไอ้วิธีที่คนพยายามคิดกันคิดกันคิดกันคิดกันเข้าไม่ถึงหรอกเข้าไปไม่ถึงบางที่ก็ไม่ได้ชฉวเฉียดเลยวิธีพระพุทธเจ้านี่แหละขบให้ออกตีให้แตกรับรองตรงรัดสั้นง่ายที่สุดแล้วแม้นเราจะบอกว่ามันยากเหลือเกินยากเหลือเกินแต่ให้รู้ไอ้คาว่ายากเหลือเกินที่เรากำลังรู้สึกอยู่นั้นคือง่ายที่สุดแล้ว เข้าใจไหมง่ายที่สุดแล้วเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นกัลยาณมิตรแล้วโอ้โหมันจะพิเศษวิโสมากมันจะดีมากชีวิตอะเพราะฉะนั้นการรู้ลมอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องตรหนัก ถ้าเราไม่รู้ให้มันถูกวิธีไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ไล่เรียงไปตามลำดับที่พระพุทธเจ้าสอนเรายิ่งภาวนาเราจะเป็นใหญ่สุดท้ายเราก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินใช่ไหมเราจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินการปฏิบัติทั้งหมดเลยตั้งแต่สติก็ของกูหิริก็ของกู โอตปะก็ของกูขันติก็ของกูกูกําลังรู้ลมกูกําลังประคองตัวรู้อยู่มึงอย่ายุ่ง <laughs> ปฏิบัติไปนานเท่าใดเท่าใดตัวอัตาก็จะเบ่งบานนะตัวอัตาก็จะเบ่งบานเพราะฉะนั้นช่องสําหรับที่จะเข้าไปอย่างถูกต้องในสิ่งนี้คือช่องที่พระพุทธเจ้าต่านสอน คือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ๆท่านจะมาสอนนะท่านวิเคราะห์วิจัยสละพระองค์ศึกษาอย่างละเอียดถี่ท้วนแล้วอย่างไม่มีใครจะศึกษาได้อย่างพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะทําได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเดินนานอย่างพระพุทธเจ้าได้แล้วเป็นภูริษัตว์อยู่เนี่ยที่วัวศีลสงไขยกระแสนับทำอะไรทำการวิเคราะห์วิจัยสะสมเรื่องเนี้ย จนตกปลลึกขึ้นมาตรัสจะจะรู้ขึ้นมาตรัสรู้ะรตรัรู้เรื่องความเป็นจริงพวกนี้แหละและนำมาสอนเราสอนอะไรก็สอนเรื่องพวกนี้แหละคือสอนเรื่องที่พระองค์ศึกษามาอย่างยาวนานจนจบแล้วก็ด้วยความรักความการุณาของพระเจ้าที่มีต่อสังสารสัตว์เนี่ยประสงค์ที่จะรื้อขนสัตว์นั้นนะขึ้นไปจากกองทุกข์ใครที่มีโอกาส ที่จะพ้นก่อนคว้าก่อนการทำงานของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคําสอนของพุทธเจ้ามันจึงลัดสั้นตรงและง่ายที่สุดแล้วสําหรับการเข้าถึงธรรมเราจะไปศึกษาวิธีน้นวิธีนั่นตํารานนตํารานี่ก็สุดแท้แต่ละมันจะเราจะบอกว่าง่ายหรือเราจะบอกว่ายากแต่สุดท้ายของพระพุทธเจ้านี่ลัดสั้น ตรงพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเลยพระพุทธเจ้าไม่มีเรื่องสร้างบุตรสร้างวิหารให้มาเสียเวลาพระพุทธเจ้านี่มุ่งตรงเพื่อที่จะยกเราออกไปจากทุกข์ให้มันพ้นพ้นไปหยิบให้มันพ้นพ้นพ้ น, พนไม่มีไม่มีต้องมาเสียเวลาเอ้ยช่วยกันทําทางหน่อยนะช่วยกันทอดผ้าป่าหน่อยนะช่วยกัน สร้างนี่หน่อยนะช่วยกันทำโน่นหน Str ่อยนะช่วยกันทำนี่หน่อยนะพระเจ้าไม่มีหรอกมุ่งตรงเลยถึงบอกว่าตรงที่สุดคือใครคือพระพุทธเจ้าลัดที่สุดคือ <arently. S 2> ใครคือพระพุทธเจ้าสั้นที่สุดคือใครคือพระพุทธเจ้านั้นเราก็ต้องถามหัวใจของเราแล้วเราควรจะเชื่อใครอ่ะเออเราควรจะเชื่อใครต้องถามตัวเองว่าเราควรจะเชื่อใคร จะเชื่อในฐานะที่เขาเป็นอาจารย์เราอย่างเดียวเหรอเราจะเชื่อในฐานะที่เขาเป็นญาติกับเราอย่างเดียวเหรอเราเชื่อกับว่าในฐานะที่เขาเป็นอะไรอย่างเดียวเหรอมันไม่ใช่เราจะต้องเชื่อในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละแลวมันจึงจะเข้าถึงความรัดทันตรงแล้วง่ายเพราะฉะนั้นก็สรุปมหอีกง่ายๆว่าเราจะรู้สึกว่ายากเท่าไหร่ก็ตาม ในความรู้สึกที่เราว่ายากนั้นในสิ่งที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้านั้นง่ายที่สุดแล้วแม้นเราว่ายากแต่มันง่ายที่สุดแล้วเราไม่มีตัวเลือกอื่นหรอกถ้าเราไปเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราก็จะเสียเวลาไปเรื่อยชาตินี้อาจจะไม่พอ<笑><笑>ใช่ไหมแล้วของพระพุทธเจ้าเป็นลัดสั้นตรงตรงไปที่ไหนของพระเจ้าตรงไปที่ไหน ฮะเออตรงไปในความเป็นจริงตรงไหนฮะเอานะเออตรงไปตรงไหนเฮ้เออธรรมะตรงไปในขณะจิตถูกไหมข น, หนาดจิตไหนฮะเออข น, นาจิตเนี่ย ถ้าขณะจิตที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันเป็นธรรมมันก็คือธรรมขณะจิตที่เป็นปัจจุบันนี้มันเป็นอาธรรมมันก็เป็นอาธรรมขณะจิตที่เป็นปัจจุบันนี้มันเป็นนรกก็นรกเป็นสวรรค์ก็สวรรค์เป็นอบายก็อบายเป็นทุกขติก็ทุกขติเป็นสุกติก็ทุกติเป็นพรหมก็พรหม เรียกว่าในขณะจิตถ้าเป็นกามาวจรก็เป็นกามาวจรถ้าขณะจิตนี้เป็นกามากามาวจรจิตก็จะเป็นกามพกขณะจิตนี้เป็นรูปาวจรจิตมันก็เป็นรูปภพขณะจิตนี้เป็นอรูปาวจรจิตมันก็เป็นอรูภพขณะจิตนี้เป็นโลกุตรจิตมันก็เป็นโลกุตรเพราะฉะนั้น มันตรงตรงไปตรงไหนตรงไปในขณะจิตไม่ใช่ขณะจิตที่แล้วไม่ใช่ในขณะจิตต่อไปแต่ตรงไปในขณะจิตนี้ถูกไหมขณะจิตเดี๋ยวนี้ตรงนี้เวลานี้มันพอเราดูอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยของพระเจ้าง่ายไปง่ายยังไงก็ ไม่ต้องเรื่องพูดวายเรื่องอดีตใดๆเลยอดีตใดๆแ้วก็ตามไม่วุ่นวายอนาคตใดๆก็ไม่วุ่นวายมันก็แค่ตรงเข้าไปสู่ในขณาดจิตนี้ใช่ไหมตรงไปในขณะจิตนี้มันเลยง่า ย, ยางไงมันเลยง่ายแล้วเรากล้าที่จะแน่วแน่มั่นคงคอกับขนาดจิตนี้ไหมเพราะว่าในขณาดจิตที่เราตรงเข้าไปอ่ะมันมีอะไรเข้าไปด้วย มีอะไรเข้าไปด้วยมีอะไรเข้าไปด้วยฮะรวมความกอมีเราเข้าไปด้วยพอมีเราเข้าไปเราชื่ออะไรนางสาวนาลินรัตน์ไอ้นาินรัตน์นี่มันเข้าไปด้วยเออลูกคนโตหามันก็ไปด้วยมีน้องเท่านั้นคนมันก็เข้าไปด้วย เคยเรียนที่นั่นเคยทางานที่นั่นมันก็เข้าไปด้วยเคยรู้จักคนนั้นเคยรู้จักคนนี้มันก็เข้าไปด้วยวุ่นวายกันไปหมดเลยวุ่นวายในไหนในขณนะ จ, จิตนั่นแหละแต่ถ้าในขณะ จ, จิตนั้นมันเป็นมีพระเจ้าเป็นกัลยาณมิตรใช่ไหมมันตรงเข้าถูกที่มันเป็นธรรมไอ่อดีตมันจะเข้าไปได้ไหมไม่ได้อนาคตเข้าไปได้ไหมเออบางคนลึกเข้าไปในขณะปัจจุบันนะั่นแ่ะ นั่งแทนตั้งแทนนะปัจจุบันตั้งแทน่นเรามัวแต่มานั่งอบรมธรรมะอยู่อย่างนี้ทุกวันอาทิตย์นวันอาทิตย์ทู่เราไปเรียนอย่างอื่นเพื่อเสริมอาชีพให้มันมีรายได้มีมูลค่าขึ้นมาเผื่ออนาคตเป็นอย่างโน้นยังไปแล้วไปแล้วใช่ไหมหมัไปแล้วแต่มันมาไหนไหนมาในขณะจิตใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราตรงในขณะจิตที่เป็นปัจจุบันแล้วจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้น มันง่ายขึ้นเลยแหละในขณะจิตจะเกิดการธาตุอยู่สองธาตุธาตุหนึ่งเรียกว่าสังคตตาธาตุอีกธาตุหนึ่งเรียกว่าอสังคตตาธาตุเคยได้ยินไหมหสังคตตาธาตุแปลว่าธาตุที่มีการปรุงแต่งในขณะจิตนั่นแหละ แต่มันเป็นแกงโอในขณะจิตนี่แหละในขณะนี้ปัจจุบันนี่แหละแต่มันไม่เป็นปัจจุบันไงมันกําลังเกิดสภาพการปรุงแต่งเป็นสังคตธาตุเป็นาธาตุแหการปรุงแต่งเอาโน่นนี่นั่นเข้ามาแล้วก็ปรุงปรุงปรุงปรุงปรุงแล้วก็เกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมไอตัวปรุง เป็นอดีตไปแล้วทุกก็มาเป็นอะไรอีกทุกก็มาเป็นปัจจุบันปรุงปรุงปรุงจนทุกปรุงปรุงปรุงปรุงจนทุกนี่ธาตุหนึ่งอีกธาตุหนึ่งคืออสังคตธาตุอสังคตธาตุคือว่าอะไรคือธาตที่สภาว่าที่มันไม่มีการปรุงแต่งมันตรงก็ไปแล้วมันไม่มีการปรุงแต่ง ทีนี้ไอ้ตัวที่ปรุงแต่งเพราะในขณะจิตนั้นน่ะมันประกอบไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานมันจึงปรุงแต่งขณะจิตที่มันไม่มีการปรุงแต่งเพราะมันประกอบไปด้วยวิชาวิชาใช่ไหมวิชาคือว่ามันมีตัวรู้ในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีการปรุงแต่ง ถ้าขณะจิตที่มันไม่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นตัววิชามันก็จะไปสุดอยู่ที่ความไม่ทุกข์ถ้าสายของการปรุงแต่งในขณะจิตอวิชชาเกิดขึ้นมันก็จะทําให้เกิดอะไรตัณหาอุปาทานและก็กรรมพอกรรมเสร็จผลของกรรมก็เกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานมันก็เลยหมุนอยู่อย่างนี้ มุนมุนุนกมุนมุนมุนมุนุกมุนมุนมุนมุุกุกทุกทุกทุกทุกขาถึงบอกว่าโอ้ยดูดูแล้วหาชีวิตนี้ไม่มีหาอะไรเลยมีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ถูกไหมนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งออตั้งใจเมื่อก่อนตอนยี่สิบสามสิบปีที่แล้วสี่สิบปีที่แล้วเนาะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งก็ตึองว่าโอ้คนนี้แหละแม่นแล้ว เลือกแต่งงานแล้วคิดว่าอยู่ดีมีสุขมีความสุขชั่วนิจถือไม่ตายอดทองกระบองยอดเพชรปัจจุบันนั่งข้างๆก็มันไม่รู้สุขตรงไหนมีแต่ทุกข <laughs> ์ใช่ไหม <laughs> ใช่บ่เ <laughs> ขาครับเราก็ฆ่าที <laughs> ่อย่าไปน้อยหน้าดิเขาครับเราก็ฆ่าอ้าวจริงๆนะความสุขที่เราหวังไว้มันมันเป็นอากาศ เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งมันเป็นสังฆตาธาตุมันไม่มีวันที่จะปรุงแต่งเข้าไปสู่สุขมันไม่มีวันที่จะปรุงแต่งเข้าไปสู่ความทุกขเเก์เราเข้าใจเอาเองว่ามันสุขใช่ไหมเราเข้าใจเอาเองเพราะมันสุขว่าทางวิมานในอากาศว่าโอ้เราต้องอย่างนั้นต้องเป็างนั้นเดี๋ยวเราแต่งงานเสร็จเออมีลูกคนหนึ่งเคเงจะแฮปปี้หน้าดูเป็นไงอ่ะ ทุก่าแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องมีลูกอีกกครบทุกย้ยใช่ไห ม, ไ ม, หมพรมันฟังอยู่สังคตธ า, าตุคือตัวธาตุที่ทำการปรุงแต่งในคณะจิตแล้วก็จะไปสุดอยู่ที่ทุก สังคตธาตุตัวความตัวรู้เข้าไปสู่ในขณะจิตหยุดการปรุงแต่งก็จะเดิเดนๆเข้าไปสู่ความหมดทุกข์สุข ก, ก็ไม่มีสุขจะมีจริงๆก็คือสุขที่เกิดจากการไม่ทุกข์นะถ้าสุขที่เกิดจากการปรุงแต่งมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละ แล้วเราดูดูชีวิตเราชีวิตเราแต่ละคนตอนที่เรารู้เรียนสาเราจำความได้เราเริ่มมีความหวังเริ่มมีอุดมการเริ่มมีปณิธานเริ่มมีความปรารถนาเริ่มมีความต้องการในชีวิตเรามุ่งหวังอะไรในชีวิตแต่ละคนนี่สมสำเร็จความมุ่งหวังมาเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้คือความสุขที่เราวางไว้ ถูกว่าพ อ, อตอนเด็กๆ เ, เล็กๆพอโตเรื่องรู้เดียงสาใช่ไหมคิดว่าอายุเท่านี้จะมีคู่แล้วก็วาดไว้แล้วใช่ไหมว่ามันจะต้องมีความสุขแล้วมีคู่สมหวังไหมสมหวังสมหวังสมหวังสุขไหม <laughs> เรียนนี่ เรียนนี่นจบจากนี้นะจะอย่างนั้ น, ะ อ, ยงงนอย่างนี้อย่างนูน้นอย่าง น, นู้นอย่าง น, นู้นคือว่าปูทางไว้สวยหมดเลยแล้วก็ได้ตามที่หวังสุขไหมได้ทุกอย่างที่หวังแต่สิ่งที่ไม่ได้คือความสุขเพราะมันจะสุขไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอะไรสังฆตธาตุจาคํานี้ไว้คํานี้ไม่เคยนํามาพูดล เออมันเป็นสังคตธาตุมันเป็นตัวที่จะปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วก็จะไปสุดอยู่ที่ทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกอาสังคตธาตุก็จะหยุดการปรุงแต่งสังคตธาตุเป็นตัวสังขารอาสังคตธาตุเป็นวิสังขารสังคตธาตุเป็นสังขารเพราะมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่ง สังคตธาตุมันเป็นวิสังขารเพราะมันเป็นเรื่องของความไม่ปรุงหยุดปรุงหยุดปรุงด้วยตัวรู้ทีนี้การรู้ลมหายใจทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นกุสลราสีกอไกสระอุโสเสื อ, อลออิงรอเดือสระอาสสเสือสระอิกุสลราสีราสีแปลว่ากอง กุศละนี่แปลว่ากุศลกุศละราศีแปลว่ากองของกุศลอย่างแท้จริงแท้จริงธรรมาก็ใส่เข้าไปนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมเ็าถึงท่านถึงทำไมถึงเป็นกองของกุศลอยากได้บุญทำไงอยากได้บุญทำไงฮะรูลมถูกไหม กองของกูสนอย่างแท้จริงคือสติปัฏฐานสี่ทางที่จะเข้าสู่สติปัฏฐานสี่คืออาณาเพราะฉะนั้นลมหายใจอย่างเดียวเป็นไงได้ทุกอย่างในทางการเข้าสู่มรรคผล ประกอบไปด้วยโพธิคียธรรมสามสบเจ็ดประการสติประธานสี่สมัปประธานสี่อิทิบาทสี่อินสีห้าพละหา้ะหาโพชงเจ็ดมรคมีองแปดเจ็ดหมวดสามสิบเจ็ดข้อได้ด้วยลมหายใจอันนี้ไม่ใช่พูดเองนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัส เ, เพราะฉะนั้น กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นดับได้ด้วยอะไรลมหายใจความโลภเกิดขึ้นดับได้ด้วยอะไรความรุ่มหลงเกิดขึ้นดับได้ด้วยอะไรเออความอิจาริศยาเกิดขึ้นดับได้ด้วยความพยาบาทเกิดขึ้นดับได้ด้วยเอออย่าเท่าแต่ต่อมึงองไปใช้ด้วยเวลาโกรธใครอะ ใช่ไหมบอกคนข้างหลังอ่ะหันไม่บอกอย่าเท่าแต่ตอบเอามาใช้ด้วยอ้าวใชา้ ย, ยังไงอะ่ะเวลาโกรธรู้สึกตัวว่าโกรธยังรู้สึกตัวโกรธยังเราต้องไม่อยู่ในอำนาจของความโกรธถูกไหมโกรธโกรธไอ้คนเนี้ยรู้สึกแล้วความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยู่ในอำนาจของความโกรธเราทำไงเข้าไปสู่ลง รูล้ลมอย่างตรงตรงถูกต้องรู้รู้รูรรรรรรแล้วดูที่มันหายยังมันยังอยู่ใช่ไหมมันยังอยู่เรายิ่งเพิ่มความสํารวมในการรู้ลมเพิ่มฉันทัเข้าไปรู้รความโกรธหายไปยังหายไปแล้วหายไปแล้วก็หันหน้าไปหามันแล้วก็ยิ้มใส่เลย <S <S 1> <S 1> ลมหายใจนอกจากดับกิเลสหยาบหยาบอย่างนี้แล้ว สำระอาสวะตัดสังโยชน์ได้หมดหยุดอกุศลสั่งสมกุศลเพราะว่าอากุศลมันเกิดขึ้นได้ทุกกรณีนะยืนอยู่เกิดได้ไหมนั่งเดินนอนนอนที่ไม่หลับเกิดได้ไหม ได้หมดเลยนะกุศลเนี่ยมันเกิดได้หมดเลยแล้วเราต้องไปเชิญชวนมันไหมเวลาเวลาเราจะโกรธใครทักคนเราจะต้องประดมมือยกขึ้นมาโอ้ความโกรธเออเชิญมาตั้งขึ้นที่ใจข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าอยากโกรธเหลือเกินเราต้องทำอย่างงี้ไหมไม่ต้องฮะฮะ ม, มันมาเองใช่ไหมเออเรามาโดยที่เราไม่ได้เชินเราจะทำกับเขาได้ก็สองอย่างหนึ่งเป็นขี้ข่ามันมันโกรธแล้วใช่ไหมเราเป็นขี้ข่ามันด้วยกันยังไงทำตามอำนาจมันเลยพอโกรธเสรก็ด่าก็มั่งตีก็มั่งเตะก็มั่งเคลียงมั่งเหวี่ยงมั่ ง, ง, งไปเรื่อยนี่นี่เป็นขี้ข่า อีกอันหนึ่งเมื่อมีความโกรธก็เข้ามาแล้วเราทำยังไงกําจัดเขากําจัดเขาพูดเหมือนง่ายแต่ทํายากไหมตัวที่ยากสุดคืออะไรตัวที่ยากสุดคืออะไรตัวที่ยากสุดคืออะไ ร, ออะไรในทางปฏิบัติลงนึกสภาพของตัวเองนึกถึงหนังหน้าตัวเองตอนที่โกรธ ว่าตอนที่เราโกรธตอนนั้นน่ะใจเรามันมันมันมันมันเป็นยังไงสิ่งที่ยากที่สุดคือการที่รู้สึกตัวได้ว่ามันโกรธมาแล้วการที่ทำให้ใจของเราสามารถรู้และเห็นว่ามันกำลังเกิดความโกรธ เพราะว่าเวลาโกรธมันมาไงมันครอบเรากลายเป็นใครโกรธเราโกรธไปแล้วตวตัวที่ยากสุดก็คือว่าตัวที่เราสามารถเห็นรู้ว่าความโกรธกำลังเกิดขึ้นที่ใจของเราตัวนี้ยากไหมยากเพราะตัวนี้ต้องอาศัยอะไรสติกับอะไรสติอย่างเดียวไม่พอ อ่ะสติกับสมาธิเรียกว่าอาศัยสติกับความตั้งมัน hmm. เวลาเวลาโกรธอ่ะรู้สึกตัวว่าโกรธเพื่อนหัวแตกไปแล้วบางที <laughs> ใช่ไหมรู้สึกตัวว่าโกรธน่ะออกตัวแรงไปแล้ว <laughs> ไม่ใช่มันคือมันออกตัวแรงไปแล้วจะถอยกลับมาอีกทีก็ถอยไม่ค่อยทันแนละ้ <laughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดให้สังเกตคือพูดอย่างนี้อ่ะให้พวกเราคอยสังเกตสภาวะใจของตนเองนะตามดูตามดูยามที่มันมีอาการว่าตัวที่มันยากที่สุดคือตัวที่ทําให้เกิดการรู้เห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเพราะตัวที่รู้เห็นเนี่ยมันจะทําจะเห็นได้มันจะต้องแยกใช่ไหม แยกไอ้ตัวที่รู้เนี่ยกับไอ้ตัวโกรธมันต้องถูกแยกออกมาตัวที่ทำให้แยกออกมาก็คือสติกับไอ้ตัวสมาธิและตัวที่ทำให้หรู้เห็นก็คือตัวสตินั้นกำลังของสติกับกำลังของสมาธิจะต้องถูกฝึกฝนอบรมให้มีกำลังขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือการภาวนาพระพุทธเจ้าบอกปัสตโตนัตถิกินยานะแปลว่าอะไรแปลว่า เครื่องกังวลเราเนี้ยของผู้ที่เห็นน่ะไม่มีปัสตโตนัติกินจนะเครื่องกังวลเราเนี้ยของคนที่เห็นน่ะมันไม่มีปัญหาของเราคื อ, อะปัญหาของเราคือไม่เห็นไม่เห็นเห็นด้วยอะไรไม่จะเห็นด้วยตานะเห็นด้วยตาเนะี่ยยิ่งเห็นมันยิ่งเอาเรื่องเหรอ ยิ่งเห็นมันยิ่งเอาเรื่องนะด้วยตาเนี่ยเห็นนี่มันต้องเห็นด้วยอะไรมันต้องอาศัยอะไรถึงจะมาสามารถมองเห็นได้สติกับความตั้งมั่นหรือสติกับสมาธิเราภาวนาเพื่ออะไรเพื่อให้ได้อะไรสติกับสมาธินี่แหละ เพราะฉะนั้นอย่าละเลยลมหายใจต้องทำกิจในการรู้ลมหายใจให้ถูกต้องสม่ำเสมอตลอดวันแล้วในระหว่างวันน่ะมันจะต้องฝึกการรู้ลมบ่อยๆก็เราดูได้ดิระหว่างวันน่ะนิวรมันครองใจเราอยู่ใช่ไหมเราจะเอาจุดไหนที่จะไปรู้ลม ไปนั่งดูหนังอยู่ในโรงหนังรู้ลมได้ไหมไม่ได้หรอกอะไรมันไม่ให้เรารู้อะไรมันไม่ให้เรารู้ลมนิวรก็มันกําลังอินอยู่อ่ะมันมันกำลังอินอยู่ใช่ไหมมันกําลังอินอยู่กับหนังอะแล้วมันจะลุกกลับมารู้รู้ลมได้ไหมไม่ได้คนที่จะรู้ลมได้มันหมายความว่าอะไรอะ หมายความว่าเขาจะต้องฝึกการรู้ลมบ่อยๆจนตัวรู้คุ้นกับลมและสามารถที่จะยกรู้เข้าสู่ลมได้ตลอดเวลาเดี๋ยวถ้ามันดูหนังอย่างนี้ไม่มีวันที่มันรู้ได้ใช่ไหมไปปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างเงี้ยยังไงเพื่อนกนลังดิ้งกันอยู่เมามันเรา เ ร, เราจังหวะนั้นเราจะรู้ลมได้ไหมได้ถ้าถ้าฝึกถ้าฝึกมาได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีอีกคําหนึ่งว่าเราจะต้องมีลมหายใจเป็นเพื่อนสองโดยมีตัวรู้เนี่ยเป็นตัวเชื่อมลมหายใจเป็นกัลยะาณมิตรมีลมหายใจเป็นเพื่อนสองเ ป, เป็นเพื่อนคนที่สอง ไปไหนไปกันทําอะไรก็ไปกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันเออไม่รู้แหละไปกับลมหายใจอยู่กับลมหายใจรู้เห็นลมหายใจเป็นเพื่อนสองถ้าเราสามารถมีลมหายใจเป็นกัลยาณมิตรทํากิจกับลมหายใจได้อย่างถูกต้องไปที่ไหนก็ได้แต่มาเคยไปเกาหลีไปกับลูกศิษย์หลายคน เรไปถึงเขาพาไปที่สวนสัตว์ตรงนั้นเขาเรียกว่าไลเกอร์เข้าไปดูไลเกอร์ไลเกอร์ก็คือเสือลูกของเสือกับราชสี์แล้วเขาเข้าแถวก่อนเป็นกิโลนะพอในบอกของพ่อไปไปไปรู้ป่กูไม่ไปอยู่ในรถเนี่ยนั่งอยู่ในรถเนี่ยสามชั่วโมองแถวมันยังไม่เข้าไปเลย ไอ้พวกนี้มันยืนไปมันจะล้มเลิกแลยน่าจ่ายค่าตัวค่าอะไรไปแล้วจะล้มเลิกแล้วทำล้มเลิกไห ม, มวะโอ้ยสงสารหลวงพ่อหลวงพ่อนัอนอน่งคนเดียวเอามึงรู้ได้ยังไงวะผมฮะเออรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้ยังไงว่าพราะหงามึมดีจะตายอย่างเนี้ยเมื่อเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนสองไปอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมเออ เรามีลมหายใจเป็นเพื่อนสองไปที่ไหนก็ได้สบายเพราะอะไรเพราะลมหายใจเขาไปกับเราอยู่แล้วเราต้องไม่ต้องเชิญเขาเราไม่ต้องไปชวนเขาเราไม่ต้องไปจ้างเขาเราไม่ต้องไปจ่ายค่าตัวให้เขาเขาอะไปกับเราอยู่แล้วเราเพียงแค่เปิดใจรับเขามาเป็นเพื่อนให้เขามาเป็นเพื่อนสองส่วนคนอื่นที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนสามเพื่อนสี่ไปแต่เพื่อนสองคือ ลมหายใจคนอื่นเข้ามาก็เพื่อนสามเพื่อนสี่เพื่อนห้าแต่ลมหายใจเป็นเพื่อนสองเพราะฉะนั้นลมหายใจอย่าละเลยไม่ได้ตัวที่จะทำหน้าที่ที่เราทำกิจกับลมหายใจให้อย่างถูกต้องก็ว่ากันมาเยอะ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรพอพูดอย่างนี้แล้วมันให้ตัวสติกับตัวความตั้งมั่นจะตกเป็นตัวตั้งโดยเฉพาะตัวตั้งมั่นจะตกเป็นตะกอนที่จะตัวตั้งมั่นมากเท่าใดตัวสติก็ได้เท่านั้นตัวตั้งมั่นที่ไม่มีสติมันเป็นมิจฉาสมาธิตัวสติที่ไม่มีความตั้งมั่นมันเป็นมิจฉาสติ เวลาตัวสติกับความตั้งมั่นมันเกิดขึ้นความตั้งมั่นได้เท่าใดสติก็มีกําลังเท่านั้นนี่เป็นสัมมาสมาธิตัวสติมีเทา่าใดไอตัวสติมีกําลังเทา่าใดตัวตั้งมั่นก็มีกําลังเท่านั้นนี่เป็นสัมมาสติ mm hmm. เพราะฉะนั้นการทํากิจในการภาวนาให้ถูกต้องตามกิจนั้ น, น, นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอานาปนาตินี่เป๊ะเลย ยิ่งทามันก็ยิ่งกำลังสติยิ่งมีกำลังนั่นหมายความว่าอะไรกำลังสมาธิก็มีด้วยยิ่งทาสมาธิก็ยิ่งมีกำลังนั่นหมายความว่าอะไรสติก็มีด้วยเราเรียกว่าสติบริสุทธ์บนความตั้งมั่นความตั้งมั่นบริสุทธ์บนสติความตั้งมั่นจะบริสุทธ์ด้วยสติสติจะบริสุทธ์ด้วยความตั้งมั่นมันสติ ที่เขาจะบริสุทธิ์เขาจะมีอะไรมีความตั้งมัน่นความตั้งมั่นมีอะไรเป็นฐานก็มีตัวอุเบกขาเป็นฐานปราศจากความกลับเพื่อมใดๆทั้งสิ้นเรียกว่าบฐานเพราะฉะนั้นการรู้ตรงสู่ลมหายใจอย่างถูกต้องมันจะให้กำลังกับสติกำลังสมาธิพระพุทเจ้าถึงจัดเรียงลำดับเวลาเราจะภาวนาเห็นไหม เตรียมที่เตรียมตัวเตรียมที่เตรียมท่าเตรียมตัวเตรียมตัวรู้เตรียมสติแล้วก็เตรียมลมเนี่ยเตรียมหลังจากนั้นก็เริ่มรู้รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจก็เวลาเราเราจําอาณาปานสติสิบกได้แล้วเนี่ยเราอย่าไปเอาทั้งสิบกมารวมไว้ในลมแรกอันนี้เราพอนั่งปั๊บ จำได้แล้วใช่ไหมนั่งรู้ลมลมรู้ลมแรกไงมุ่งไปไหนไปหาจิตสังขารเลยมุ่งไปเลยหละเาอย่าหาเรื่องอย่ามักมากอย่ามักมากทางภาวนาเพราะว่ามันทำให้เราหลงทางเรียกว่าจิตของเรามันไม่บริสุทธิ์ไง เราทำยังไงก็ได้ให้กิจมันบริสุทธิเ์เหมือนเหมือนออกเข็มสอดเอาเรียกสนสนสนได้ข้ารูเข็มมันมีอยู่ชูรูเดียวแล้วมันมีอยู่วิธีเดียวที่คือให้ปลายแหลมๆนั่นแหะมันพุ่งตรงเข้าไปในร่องเล็กๆให้มันตรงทำกิดให้มันตรงถูกไหมทำกิดให้มันตรงเหมือนกันเลย เหมือนกันเลยกับการรู้ลมเหมือนการรู้ลมหายใจในท่านว่านิมิตตังอาสาสาปัาสาเป็นต้นว่าต้องรู้เรื่องสามเรื่องก่อนนะรู้ยังรู้แล้วเรื่องของอะไรบ้างไหนตอบสิหนึ่งนิมิตสองลมหายใจออกสามรู้ยังไง รู้ว่าสามอย่างนี้ไม่ได้เป็นอารมณ์อันเดียวกันนิมิตก็เป็นธรรมชาติของนิมิตลมหายใจออกก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจเข้านิมิตคือนิมิตคือที่ตั้งของจิตรู้จุดที่เป็นที่ตั้งของจิตรู้คือจุดที่ลมกระทบลมกระทบ ตรงไหนที่เรารู้สึกได้ถึงการที่ลมมันกระทบตรงนั้นเป็นนิมิแลวลมกระทบเป็นจริงนะไม่ใช่คิว้วไม่ใช่แก้มไม่ใช่รักแร้ไม่ใช่ไหลไม่ใช่อะไรต้องอยู่ที่ไหนดูที่เหนือริมฝีปากบนกับปลายปลมูอ นั้นเราจะต้องรู้ในความเป็นจริงว่าลมกระทบตรงไหนที่เรารู้สึกได้ตรงนั้นเป็นนิมิตตามความเป็นจริงรู้นี้หนึ่งเรื่องอีกรู้หนึ่งคือลมหายใจออกว่าลมหายใจออกเป็นลมในที่ขาไหลครูดออกมาข้างนอกนี่เรียกว่าลมออกลมออกจึงไม่ใช่นิมิตลมออกจึงไม่ใช่ลมข้าวส่วนลมข้าวลมข้าวก็ไม่ใช่นิมิต ลมข้าวก็ไม่ใช่ลมออกส่วนนิมิตนิมิตไม่ใช่ลมออกนิมิตไม่ใช่ลมข้าวเห็นไมมันต้องรู้สามเรื่องนี้แยกกันแบบนี้พอรู้สามเรื่องแยกกันแบบนี้ต่อไปการวางตัวรู้ความรู้อยู่ที่ไหนฝ้ารู้อยู่ที่นิมิตรู้อะไรเอาลมอะมันมีอยู่แล้วแหละ รู้ลมหายใจออกแบบไหนรู้ลมหายใจเข้าแบบไหนรู้ลมอะไรรู้ผดพารมหรือรู้ลมที่กระทบเวลาเรารู้ลมที่กระทบมันจะทำให้เรารู้กายทั้งกายเพราะอะไรเพราะลมที่ออกที่มันกระทบมันกระทบกับอะไรกระทบกับกายประสาทใช่ไหมไอช่องช่องผิวด้านในของโพรงจมูกเนี่ยมันเป็นกายประสาทแม่เราไม่หายใจออก เราเอาเนิ้วไปแตะเรารู้สึกไหม<อ>เพราะมันมีกายประสาทอยู่ใช่ไมกายประสาทกระทบกับสิ่งใดสิ่งนั้นและเรารู้สึกได้สิ่งที่มากระทบกับกายประสาทเรียกว่าโผทภพอารม์ออาโอโรมณ์ที่มากระทบกับกายหูนี่มีไหมมีกายประสาทไหมพอแตะปั๊บรู้ไหมหนังมีไหมยิกปั๊บรู้ไหมหน้ามีไหม ตบด้วยหลังมือรู้ไหมสิ่งที่มากระทบกับกายประสาทเรียกว่าโผฏฐารมเพราะฉะนั้นลมหายใจออกก็คือลมที่กระทบกับกายประสาทและเรารู้สึกได้ถ้ามันกระทบแล้วเราไม่รู้สึกได้ไหมไม่ได้มันต้องกระทบแล้วเรารู้สึกได้ตรงนั้นเรียกลมนั้นว่าเป็นลมชนิดที่เป็นโผฏฐารม ถ้ามันไหลออกมันก็คลูดออกไปไหลเข้ามันก็คลูดเข้าไปแต่เรารู้อยู่ที่เดียวไหมที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนกับงูที่เลื้อยผ่านหลังเท้าเราเราไม่ได้ดูมาเลยเราไม่ได้ดูงูเลยเรายืนหลับตาเพราะเรากลัวไงแต่เรารู้สึกได้เราเลยยืนนิ่งๆเนี่ยงูมันเลื้อยผ่านหลังเท้าเราเนี่ยปุ๊บเรารู้ว่างูตัวนี้ยาวเพราะว่าเพราะไอ้จุดที่มันกระทบกับหลังเท้าเราเนี่ย นานนานนั่นหมายความว่างูตัวมันยาวถ้ามันกระทบไปนิดเดียวปึ๊บแสดงว่าตัวมันสัน้นนั้นการรู้ลมที่เป็นโผธิพารมลมยาวคือลมที่กระทบนานลมสั้นคือลมที่กระทบนิดหน่อย <c oughs> ทั้งหมดนี้เราต้องไปทำอะไรไหม เราต้องไม่ไปทําลมให้มันยาวเราต้องไม่ไปทําลมให้มันสั้นเมื่อใดที่เราไปทําลมให้มันยาวนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากําลังไปแทรกแซงเรากําลังไปแทรกแซงเรากําลังไปแทรกแซงเพื่ออะไรเพื่อให้เราเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ถ้าเมื่อใดที่เราไปแทรกแซงอย่างนี้เราจะเป็นใหญ่และเรายิ่งภาวนาอัตตาเรายิ่งเบ่งบานยิ่งภาวนาความต้องการเรายิ่งเยอะเมื่อก่อนก่อนที่เราจะภาวนาโอ้ยเรียบร้อยอกคันอบอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาสำรวมมีกิริยามารยาทพอภาวนาเข้าไปเป็นไง โอ้โหเดินมันเหมือนกับมันเหมือนกับตัวเองนี่แบบโอ้โ ห, โหมันเพราะอะไรเพราะเราเอาตัวเราเข้าไปแทรกแซงการภาวนามันเหมือนกับเราเข้าไปจัดการทุกอย่างจริงจริงแล้วจัดการได้ไหมถ้าเราจัดการทุกอย่าง โสดาบันเป็นไงเฮ้ย อ, อมนี้ใช่ไหมโสดาปฏิมัก อ, อกมนี้ อ, อนาคามิมัก อ, อกมนี้เอาไปไหนอีกอะยือแย่งกันได้ใช่ไหมแต่นี่มันเราเข้าไปทำได้ไหมแทรกแสงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปแทรกแสงไม่ได้เนี่ยมันจึงต้องทำกิจให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอน เพราะกิจที่เราทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างถูกต้องเราหรืออะไรอ่ารก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกิจที่ถูกต้องตามองค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าคนภพเลามันสอนเราเนี่ยทํำไปแล้วมันจะตกตะกอนเป็นสติกับความตั้งมันอย่างแท้จริง